สัญญาได้จริงจะต้องแทงตลอดสังขารนิโรธจึงจะดับสังขารได้จริงจะต้องแทงตลอดวิญญาณนิโรธจึงจะดับวิญญาณได้อย่างแท้จริงเพราะนิโรธเป็นที่ดับเป็นที่เพิกถอนอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็จะสนทนาอะไรกันต่อไหมก็ได้นะเชิญฟังแต่ว่าขอหมายว่าอยากจะพักเสียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะได้ สนทนาธรรมอีกครั้งหนึ่งที่บ้านอนาถบินธิกาเสถีตอนหลังไม่แปลกใจเลยคำวิปลาสเป็นยังไงดูหมายอย่างงามทัานดีเป็นต้นชนอยู่นั่นเลยตัวก็แพงทันก็ดีนะชมไปรเรื่อยดีไม่จุติจุติก็ได้บรรพบริุทธิ์เลยการนี้โอ้นี่เนาะคนเดินเข้ามาพระเชตวันเข้ามาฟังธรรมมาเจริญบุญเจริญกุศลกันจากนี้ก็เป็นสุนัข ก็เลยไม่ได้ขณะไม่ใช่สมัยที่จะประพุติพรหมจรรย์ไม่ใช่คณะไม่ใช่สมัยที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะเอาอนาถบินทิโกวาทสูตรไปแสดงที่ที่บ้านท่านนะแต่ว่าสถานที่ไม่ให้เพราไม่ได้สปายะเลย6ปีถ้ากล่าวตามอัตตะถามันก็แสดงว่าท่านปรินทร์อท่านสิ้นชีวิตก่อน ก่อนพระสารีบุตรพระสนจรพระอาจารย์แสดงว่าในบริเวณเชตวันเนี่ยท่านจริงๆรท่านสร้างวัดให้ไว้เป็นที่ฟังธรรมอ่ะนะท่านไม่ได้สร้างบ้านให้เป็นที่ฟังธรรมนั่เราก็ต้องกลับมาฟังธรรมที่วัดเพราะท่านสร้างวัดให้ฟังธรรมแล้วก็มาใช้วัดของท่านให้เป็นที่ฟังธรรมพูดถึงท่านอนาฐบินทิกาเศรษฐีนี่ท่านทำํำท่านมีใช้ชีวิตในการทําบุญอยู่ยี่สิบกปีไง ในในวัดพระเชตวันเนี่ยยี่สบหกปีถ้ากล่าวตามอัตถกาามันก็แสดงว่าท่านปรินิษฐ์ท่านสิ้นชีวิตก่อนก่อนพระสารีบดุลอยู่แล้วใช่ไห อ, อท่านทําบุญอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบสี่ปีก็แสดงว่าช่วงกลางกลางพุทธกาลเนี่ยนะท่านปรินิพาน อ, อท่านท่านสิ้นชีวิตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศพระธรรมจักอยู่ทั้งหมดกี่ปีสี่สิบห้าปี แล้วท่านนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่ไหนที่เมืองราชครกอขึ้นเะ่ยนะพระองค์เสด็จไปที่เมืองราชครืึ้ตอนที่โปรดพระเจ้าทูมพิสารโปรดประชาชนชาวเมืองราชครืึ้ท่านเนี้เป็นผู้ที่ไปค้าขายที่เมืองราชครืึ้ประจําท่านเป็นคู่เขยกับราชคฤหเศรษฐี แล้วก็ท่านเป็นพ่อค้าจากเมืองนี้ไปค้าขายที่เมืองราชครึกราชเสรษฐีทางโน้นก็จะมาค้าขายทางนี้ระยะทางห่างกันก็สี่สิบห้าโยชน์สี่สิบห้าโยชน์นั้นถือว่าอปกตินี่ถ้าเดินทางไม่ค่อยรีบนะก็จะเดินทางวันโยชน์ก็เดินทางเดือนกว่าจึงจะถึงแล้วก็ น, นับระยะทางก็ร่วมพันกิโลมั้งเนาะก็ไม่ไม่ใช่ใกล้นะสี่สิบห้าโยชน์เนี่ย น, น, นะนะก็ประมาณประมาณประมาณร่วมพันกิโลนี่แหละประมาณนะั้นแหะคือทางโบราณนี่มันทางคดไปเคี่ยวมาบ้างอ่ะนะมันมันไม่ได้ตัดแบบสมัยนี้ซึ่งก็ค้าขายมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปค้าขายที่เมืองราชครือ ก, ก็ราชชิหาเศรษฐีที่เป็นคู่เขยกันเนี่ยคือเข้าจะเรียกอะไรทางโน้นได้น้องทางนี้ทางนีง้ได้น้องทางโน้นอ่ะนะไม่รู้ใครเป็นเขยใครอ่ะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นลูกนะต่างนะเปลี่ยนกันเรียกลงนะุงอ่ะ ลูกทางนี้เรียกทางโน้วนวันลุงลูกทางโน้วนวเลือดทางนี้วันลุงเหมือนกันคล้ายๆแบบนี้เนละพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็อย่างนั้นด้วยนะน้องของพระเจ้าประสเสนที่โกศลเนี่ยเป็นเป็นแม่ของพระเจ้ า, าชาติศัตรูเป็นแม่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ถือว่าเป็นคู่เข ย, ยกันเป็นอะไรกันก็เกี่ยวดองกันพระโบราณนี่เขาพยายามเกี่ยวดองกันไว้โดยลักษณะเอาเชื่อพระวงไปแต่งงานกัน เพื่อบ้านเมืองมันจะได้สงบเ่มเย็นจะได้ไม่เข็นไม่ฆ่ากันก็จะได้เกรงใจซึ่งกันและกัน ก, ก็ใช้วิธีนี้ส่วนหนึ่งในการปกครองแผ่นดินให้ความที่รักมากนี้ตอนที่อนาคาบินฑิกาเสษฐีไปพบพระสัมมาัม์ว่าท่านจะขายไหมพูดแบบคนพูดเล่นๆนะนะถ้าท่านเอาเงินมาเกลี่ยเต็มก็ขายอ่ะเสร็จแล้วท่านจะขายแน่นะบอกไม่ขายก็เลยเอาณ์ขึ้นขึ้นขึ้นศา ให้สามตัดเศษเมื่าตกโลคานคือยันดีในที่สงบสงัดอนาถาก็ฟังเข้าใจเลยก็คิดหาว่าเราจะซื้อที่ตรงไหนนะั้นจะหาที่ตรงไหนสร้างวัดคิดไปคิดมาก็เห็นสวนเจ้าเชษที่ตรงนี้เนี่ยสวนเจ้าเชษเจ้าเชษนี้่มีที่เขาเขารักที่ตรงนี้มากอความที่รักมากนี้ก็ไม่อยากขายไม่อยากอะไรทั้งนั้นอนาถาก็เลยไปถามว่าท่านจะขายไหมพูดแบบคนพูดเล่นๆ่ะนี ถ้าท่านเอาเงินมาเกลี่ยเต็มก็ขายอ่ะเสร็จแล้วท่านจะขายแน่นะแบกไม่ขายาก็เลยเอาลงึ้นขึ้นขึ้นสารให้สารตัดสินมาตกลงว่าจะขายหรือไม่ขายเขาบอกว่าสําหรับถ้าตีราคาแล้วถือว่าขายศารเขาวินิจฉัยอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ขายต้องไม่ตีราคาสินี่ตีราคาเลย ว, ว่าเอาเงินมาเกลี่ยเต็มอนาถาก็เลยเอาเงินมาเกลี่ยเติมไหมดเลย เกลี่ยไปเกลี่ยมาขาดประมาณหนึ่งเกวียนคือที่ซุ้มประตูนี่เกลี่ยไม่เต็มก็ใช้ให้คนเนี่ยไปขวนมาอีกเกวียนหนึ่งจะได้มาเกลี่ยหน้าหน้าซุ้มประตูเจ้าเชิดก็เห็นว่าอ้นี่ถ้าเรื่องนี้คงไม่ธรรมดาแน่อนณาถาจึงลงทุนขนาดนี้พ่านก็บอกว่าที่ตรงนี้ท่านไม่ต้องไม่ต้องขายนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบริจาคตรงนี้เองเจ้าเชิดนี่แกก็ใจถึงไงนะแกเอาเงินทั้งหมดที่ทเกลี่ยเชตาวันเนี่ยไปสร้างซุ้มประตูอย่างเดียว ตรงที่ตรงนั้นนะก็เลยชื่อว่าวัดเจ้าเชิดเหมงอนกันนะนะอ่าเป็นที่ว่าเป็นชื่อเชตวันเนี่ยนะป่าเจ้าเชิดสวนเจ้าเชิดเจ้าเชิดเน้นสร้างซุ้มประตูอ่านะหมดโอ้หมดเยอมากสร้างซุ้มประตูเคยมีในชาดกบางเรื่องกล่าวว่าอ่าเรนรทีบางคนเนี่ยมาเห็นซุ้มประตูนี่กลับเลยจริงๆก็อยากจะมาปราคารมกับพระพุทธเจ้า มาเห็นซุ้มประตูก็เลิกเลยเนี่ยนะก็อย่างนี้ก็มีเพราะว่าถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วเจ้าเชษนั้นก็บริจาคอะไรบริจาคต้นไม้หามงินค่าไม่ได้ในสมัยนั้นเพราะถือว่าป่าตรงนี้ร่มรื่นมากแล้วก็หลังป่านี้ไปก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นป่าอันทวันพระพิสุทิที่อยู่ในเมืองสาวัตถีที่อยู่ได้เยอะเนื่องจากข้างหลังนี่เป็นป่าพญานุท่านก็มาฉันอาหารฉันอาหารเสร็จท่านก็เข้าป่าเช้ามาก็ มามึมารับโอวาทเป็นต้นเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็หลีกเล่นอยู่ในป่าแต่ก็มีพิสูรร้ายกลุ่มที่ถือว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยสัปปายะสำหรับท่านท่านเหล่านั้นก็จะมีการจาริกไปที่อื่นใช่ไหมจาริกไปอยู่ในที่ต่างๆเดินทางไปเป็นเป็นร้อยยอก็มีเป็นพันยอดก็ ม, 1, กมีไปหาที่สัปปายะในการอบรมกรรมฐานในการเจริญกรรมฐาน ส่วนอนาถาบินทิกาเนั้นก็เป็นคนที่เข้าวัดฟังธรมธรมทำบุญเนี่ยอยู่ทุ ก, กี่ปีประมาณยี่สิบสี่ปีอนาถานี่ก็ตามธรรมดาของผู้ที่ดำรงบริหารมาขันทั้งหลายก็เจ็บป่วยเป็นประจําเหมือนกันป่วยแต่ละครั้งก็จะมีพระเถระไปแสดงธรรมให้ฟังพระนนไปแสดงธรรมบ้างภาษาราีบุตรปแิ่พะองผู้เจริญอนาถาบินทิกาขึ้นหาบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนัก ขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวก็ใช้คนให้ไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยนะชีวิตสุดท้ายของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็เข้ามาถึงแล้วนะก็ป่วยพอป่วยเข้าก็เลยเรียกคนใช้มาบุรุคคนหนึ่งมาสั่งว่าพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวตามคําของเรา แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถาบินฑิกาขึ้นหาบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวก็ใช้คนให้ไปกล่าบพระพุทธเจ้าน้วยนะอันหนึง่งท่านจงเข้าไปยังเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอย่างที่อยู่และจงกราบเรียนท่านพระสารีบุตรตามคําของเราและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถาบินฑิกาขึ้นหาบดีนีิป่วยเป็นไข้หนัก ทนทุกขเวทนาขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและเรียนท่านพระสารีบุตรเพิ่มอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์คืออาศัยใจกรุณาเข้าไปอย่างนิเวศของอนาถบินทิกาขึ้นหมบดีเถิดก็คือจะให้ไปแสดงธรรมสเคราะห์อนาถบินทิกาเศรษฐีที่บ้านตอนป่วยนี่ยนะ ฤาษีคนนั้นก็ทําตามที่อนาถบิณฑิกะสั่งทุก ป, ประการก็คือเข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไปหาท่านภาษาฤาษีก่อนนิมนต์ท่านภาษาฤาษีทีนี้นท่านภาษาฤาษีก็รับนิมนต์โดยดุษเนียภาพภาษาฤาษีก็มีพระานลเป็นปัจฉาสมณนะคือก็ไปไปสองท่าสองรูปะนะคือมีพระนนลติดตามไป พอเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งเอาไว้พอนั่งเรียบร้อยแล้วอนาถบินทิกาคึหาบดีก็ถามภาษาริบุทก็ถามว่าดูก่อนท่านขึ้หาบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเราไม่กำเริบปรากฏความทุเราเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเลิบหรือนี่นะมันหมายความว่ามั น, มนลดลงไหม น, นะพอเป็นไปได้ไหมตัวข้งนี้ อนาถาก็บอกว่าผมไม่ทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกข์กขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยว่าเป็นอยามีแต่เจ็บยิ่งขึ้นมีแต่ปวดขึ้นปวดขึ้นเนี่ยนะก็มันเป็นความปวดครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลดลงได้ยังไงใช่ไหมมันมีแต่กำเริบขึ้นกำเริบขึ้นอันนี้พูดแบบสมัยก่อนที่ไม่มีราชาทีนี้ท่านก็เล่าถึงความเจ็บป่วย คือความเจ็บป่วยของคนสมัยก่อนกับเอาอยาวนะเธอเมายาสลุมสลือมันเคยถามหมอแล้วหมอต่างกายเนี่ยหมอจะเลือกเอาแบบไหนหมอก็บอกว่าขอไปตายที่บ้านดีกว่าอะไรว่าหมอเขาไม่อยากตายโรงพยาบาลเหมือนกันนะนะ ก, การเกตเลือกเอาที่ไหนดีอ่เอาเลือกเอาโรงพยาบาลหรือที่บ้านดีสลุมสลืออาการเคลือบเคลิ้มเนี่ยนะยานี่มันจะไปกลมหมดเลยให้เคลื่บเคลมสลุมสลือ้ว ล, ลึกอะไรไม่ค่อยออกเป็นยังไงแม่จานเป็นนี่ มียากลือนั้นไหมคือให้ความเจ็บปวดเนี่ยลดลงแต่ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรก็กลายเป็นคนเมาไงนะใครเมายาว่างั้นเถอะเมายาสลืสลอๆมันเคยถามหมอแล้วหมอเนี่ยถ้าหมอจะตายเนี่ยหมอจะเลือกเอาแบบไหนหมอก็บอกว่าขอไปตายที่บ้านดีกว่าเป็นอะไรวะหมอก็ไม่อยากตายโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ยการเกตเลือกเอาที่ไหนดีอ่าเอาเลือกเอาโรงพยาบาลหรือที่บ้านดีเดี๋ยวแต่ก่อนขอเวลาพิจรารณาอีกหม่ก่อน เดี๋ยววันนั้นเราถึงแล้วค่อยตัดสินใจใหม่ว่าจะเลือกเอาซึนุมสึูหรือว่าจะเลือกเอาอยัางไงเนี่ยนะเขาบอกว่าลมเนี่ยหรือว่าประมาณกระทบขม่อมของกระผมเนี่ยนะเหมือนบุรุษมีกําลังเอาของขมของขคนเนี่ยทิ่มเข้าไปนะเหมือนถูกเอาเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มศรีรษะอย่างนั้นน่ะมันปวดขนาดนั้นน่ยนะเพราะฉะนั้นจึงทนไม่ไหวบอกลมวิ่งเวียนเหมือนกับเอาเชือกมขันชนะแล้วรัดรัดเข้ารัดเข้ารัดเข้าเนี่ยลมมันวิ่งเวียนศีรษะขนาดนั้น แล้วก็ทองเนี่ยปั่นเปื่อนเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกเมยของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแหลมคมๆเนี่ยคุกจิ้มเข้าไปในทองแล้วควานเคเห็นผู้ยิ้มเปือยเหมืนควานทองแบบสมุรไรัหมควานแบบนั้นแหละดูในหลังอะนะเสียบจิ้มเข้าไปแล้วก็ควานอันนดูว่ามันจะเจ็บปวดขนาดไหนเพราะว่าร่างกายความร้อนในร่างกายนี่เหลือประมาณเหมือนกับคนสองคนเนี่ยจับโยนเข้าไปในหลุมฐานเพลิง เหมือนกับถูกย่างไว้ในหลุมฐานเพลิงนะนะีเหมือนกับเคยเห็นปลาเป้งไหมคล้ายๆกับเป้งปลาอย่างนั้นอนะ่ะมันเจ็บปวดมันร้อนเหลือทนแบบนั้นเพราะฉะนั้นกระผมจึงทนไปไม่จึงทนไม่ได้อนะถ้าหาว่าไปเจอผู้ที่ป่วยไข้อย่างนี้เนี่ยนะคิดดูว่าเราอยากจะฟังทำประเภทไหนถ้าเราป่วยไข้ปวดขนาดนั้นเลยนะจะเจริญกรรมาฐานอะไรดีหนอถ้าเจ็บปวดขนาดนั้นคิดให้ดีนะทุกคนไม่ใช่พ้นนะเนี่ย ที่เห็นเนีนั่งยื้นยิ้นเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอย่างนี้ก็จะเกิดปีติปีติท่า น, นตีเอาอะไรดีถ้าป่วยขนาดนั้ น, นเอาเจเาาริญเวทนานุือปรัชนาเหรอเขามีแต่ทาเวทนาให้เป็นอภัยริกเพราะถ้าไปคิดปกติแล้วถ้าเจ็บปวดเนี่ยใกล้ต่ออะไรทุกขเวทนาใกล้ต่ออะไรโดยมากใกล้ต่อโทสะถ้าเป็นพระพิสุสมัยพุทธกาลเขาจะไม่คิดเรื่องนี้เลยเป็นน่ารักถึงศีลของท่าน คือท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ปาติโมขะสังโรอยู่แล้วใช่ไหมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ส่งปาติโมกท่านก็ค่อยๆระลึกถึงปาติโมกขะสังโรศีลของท่านระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเกิดปีติปีติตัวนั้นจะไปข่มเมธานาปีติข่มเบธานาราธาคือบางอย่างแต่ถ้าไปใส่ใจความเจ็บปวดตัวนั้นนี่ เ, เช่นยกตัวอย่างเลยนะวปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงเลยนะ แต่ว่ามันมีบางเรื่องที่น่าสนใจกว่าเนี่ยลืเมื่อตัวเองใส่ใจเวทนาขณะนั้นมันไม่ใช่เป็นขณะที่เวทนาเกิดครับท่านแสดงว่าเวทนาเนี่ยหรือว่าอารมณ์เนี่ยจะปรากฏโดยสองอย่างใช่ไหมครับโดยโดยอาวชนะกับโดยอารมณ์ที่มีกําลังขณะนั้นงนั้นถ้าเกิดถึงแม้เราจะไม่นึกเนี่ยแต่ว่าถ้าอารมณ์มันมีกําลังเนี่ยมันมันจะไม่เกิดนะครับถ้า คือบางอย่างนะเราเคยเปื่อยแล้วก็คุยเรื่องอื่นเพลนะี่เช่นยกตัวอย่างเลยนะปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงเลยนะแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่น่าสนใจกว่าเนี่ยลืมว่าตัวเองนี่กำลังปวดสัปปะสวะอย่างเต็มที่เลยแต่ถ้าผู้ที่เขาระลึกถึงศีลก็ลักษณะเดียวกันเขามีศีลเป็นอา ร, รมนาธิปติเป็นอารมณ์ที่น่าตราถนาเป็นที่น่าฝักใฝ่ของมหากุศลจิตก็เป็นไปกับกุศลศีนเป็นต้นจิตก็สงบตั้งมั่น เมื่อจิตสมบตั้งมั่นอย่างนี้เนี่ยอาวชนะทางกายยะวิญญาณก็ไม่เกิดเพราะทุกขกายยะวิญญาณมันเรื่องด้วยอาวชนะแต่ถ้าอาวชนะบ่อยๆแหละทุกขะกายยะวิญญาณก็ก็จะเกิดขึ้นขณะที่อาวชนะขณะหนึ่งกับกายยะวิญญาณขณะหนึ่งอาวชนะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทางมโนทวารนะเพราะว่าอาวชนะทางอัญจนวารเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ ปัญจอาวชนะธรรมโนทวารเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจถ้าอวัชนะธรรมโนทวารเนี่ยไม่ควรจะนไม่ไม่ควรจะเกิดทุกเวทนาครับก็สังเกตดูรับตรวจสักอย่างดูแล้วเจริญกรรมฐานดูนะเอาตอนเช่นว่าอะไรนะเอาตอนนั่งถ้าขาชาเลยนะมันปุ้งรับไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วลองลองดูว่าจะเป็นไปยังไงก็ลองสังเกตดูว่ามโนทวารกับปัญจทวารอันไหนจะมีกําลังกว่ากัน เพราะปกตินี้ผู้ที่กรรมาฐานไม่ดีวิปัสสนาไม่ดีเนี่ยนะถูกอารมณ์ทางปัญจทวารครอบงำสาหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกทางปัญจทวารมาเป็นอย่างดีคือไม่เคยพิจารณากายโพธะกายวิญญาณผัสสะเวทนามาเป็นอย่างดีไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาเป็นอย่างดีเนี่ยมันไปนึมันจะคิดอย่างอื่นไปแล้ววนะ่าจะหายหรือเปล่าเนาะมันมันจะไปคิดเรื่องอภิชากะโทมนัตเข้ามาแทนที่ เมื่อไรมันจะลดสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะหายสักทีหนึ่งเนี่ยนะท่านแด้ทั่วๆไปท่านนิยมให้เบนประเด็นคือไปคิดเรื่องอื่นซะนะไปคิดเรื่องศีลเป็นต้นเนี่ยนะไปคิดสมถะวิปัสนาไปเจริญพุทธคุณแทนเพราะว่าถ้าไปใส่ใจตรงนั้นเนี่ยเธอสังเกตด้วยนะเรื่องที่เราไม่สบายใจลยหลายๆเรื่องเวลาเราคิดถึงปั๊บเนี่ยมันจะคิดถึงเมื่อไหรมันจะแก้ปัญหานั้นรุ่เรื่องไปสักทีเนี่ยนะโดยทั่วไปโดยมากเป็นอย่างนั้น อย่างที่ท่านสอนให้ทําปริญญานะครับท่าศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราเนีย่ยนะว่าุก็ไล่เลยนะว่าท่านจะต้องไม่ยึดมั่นในจักสุปกติผู้ที่ยึดมั่นเวทนาอย่างเดียวนะครับคือไออณุภาพของเวทนามันแรงเกินกว่าที่จะถ้าโดยทั่วๆไปนะไอเวทนาปางตายเนี่ยมันหนักมาก มันตรวจเท็จนเกือบตายแล้วเนี่ยนะมันมันยากเหมือนกันท่านท่านภาษาริบท่านเจงบอกว่าเพราะฉะนั้นและท่านคุณหาบดีเพราะเหตุนั้นนะนะท่านเพิงใส่เพิมงทำศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราเนี่ยนะว่าุก็ไล่เลยนะว่าท่านจะต้องไม่ยึดมั่นในจักสุปกติผู้ที่ยึดมั่นในจักสุยึดด้วยอะไร ยึดด้วยตัณหามานะทิฐิยึดว่าอย่างไงยึดด้วยตัณหาก็ว่าของเรายึดด้วยมานะก็เราเป็นนั่นยึดด้วยทิฏฐิก็นั่นเป็นอัตตาของเราผู้ที่ยึดด้วยอนนานาจของทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยภาษาบาษีท่านอธิบายอัตถาที่บายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะขึ้นชื่อว่าผู้ที่ยึดถือจับสืบ ด, ด้วยการถือเอาทั้งสามอย่างอยู่คือตัณหามานะทิฐิ สามารถต้องการเวทนามีความตายเป็นที่สุดให้บังเกิดขึ้นแล้วไม่มีคือมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยถ้าตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราด้วยอำ น, นาจตันหามมาณทิฏฐิเนี่ยนะถ้าตอนเกิดตายจริงๆเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันมีแต่คนเป็นอย่างอืงอ่นมันก็เป็นนะมีแต่ความเสียใจมากเลยนะแต่เราลองลองสมมุติดูว่ากลาเนี่ยเกลิดตายแ ล, ล้วเกวดเป็นที่เลยนะ แล้วใส่ใจว่าเออนี่ของเรานะนี่เรานี่ของเราดูมันจะเดือดร้อนขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตามถือสิ่งเหล่านี้ด้วยหนะ้าตันหามาหน้ทิฏฐิไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยก็อย่างที่กล่าวว่าสูตรนี้ภาษาพระอนาถบินฑิกะนี้เป็นพภาษาดาบันอยู่แล้วใช่ไหมท่านไม่เข้าใจผิดว่าจากักรคเป็นอาตาเลยเแล้วจักรครูไม่เป็นอาตาแล้วจักขครเป็นอะไรจักรครูก็เป็นจักขครูวันยังค่ำเหมือนอะไรมันก็ได้เป็นอะไรหรอกตามันก็เป็นตาใช่ไหม มันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นตามันมีมหาภูจรูปสีเป็นเหตุใกล้มันก็เป็นอย่างนั้นทของมันวันย่ำค่ำเน่ยใครจะไปเข้าใจผิดเข้าใจอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นทของมันวันยังค่ํำนะธรรมชาติของตาจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรไปเพลิดเพลินไปยึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอะไรเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ยึดมั่นผู้ที่ยึดมั่นว่าสําคัญว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนะ่ผู้ตรงๆแล้วคนที่ยึดมั่นเนี่ยทําไมจึงย เพราะสำคัญว่าสิ่งนั้นมันสุกเพราะสําคัญว่านางามสําคัญว่าเที่ยงสําคัญว่าตัวเองมีอํานาจกับสิ่งนั้นนะนะพอสําคัญว่าสุกงามยั่งยืนเที่ยงด้วยอํานาจตันหามานะที่ติเข้าก็เลยยึด ถ, ถือเพรับท่านต้องไม่ยึด ถ, ถืออย่างนั้นนะก็เท่ากับบอกให้ตามเจ ร, ริญธรรมวันไหวจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาในใจเลยไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยอันนั้นเป็น ความมั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเองหลอกตัเองได้ไหมในบันฑ์ายชีวิตขนาดนั้นเนี่ยเราถ้าถ้าตอนแบบเป็นๆอยู่อย่างนี้เอ้ใช่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาแล้วก็ไม่เรื่องอื่นเพลินๆไปด้วยไหะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวเลยมั่นคงมากเขาบอกว่าลักษณะของผู้มีตัญหาเนี่ยถาว่าดูได้จากอะไรดูได้จากความหว anyway. like ั่นไหว พอพิจารณาตัดมันหวันไหวเลยนะมมันมันมันวันไหนะนนนวหไม่มั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยอันนั่นเป็นความมั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเองหลอกตัวเองได้ไหมในบั้นปลายชีวิตขนาดนั้นเนี่ยเราจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว vine, นะจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะเราก็จะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็อยู่ที่ที่เราแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าจาักสุกก็ไม่ยึดมั่นนะวิญญาณที่อาจจะอาศัยจักสุขก็ไม่ยึดมั่นด้วยไม่ยึดมั่นในโสตะ นะและวิญญาณที่อาศัยเสตะจักไม่มีแก่เราคือจะไม่สำคัญในตัวอารมณ์ด้วยจะไม่สำคัญในตัววิญญาณด้วยไม่สาคัญไม่ยึดมั่นในขานะไม่ยึดมั่นในวิญญาณที่อาศัยขานะไม่ยึดมั่นในชิวหาไม่ยึดมั่นในวิญญาณที่อาศัยชิวหาไม่ยึดมั่นในกายแล้วก็ไม่ยึดมั่นในวิญญาณที่อาศัยกายไม่ยึดมั่นในมโนไม่ยดยึดมั่นในวิญญาณที่อาศัย มนโนโอ้โหไม่มียึดสักอย่างเลยนะไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอหนาจตันหามานาทิฐิไม่สำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเที่ยงของสุขของงามและยั่งยืนอันนี้คือมองอะไรเป็นการแสดงธรรมประเภทตาหานะปริญญาเนะฟังคำสูตรตรงนี้เลยนะเป็นการแสดงธรรมประเภทตฐานะปริญญาไม่ใช่ตีรณนะปริญญา เพราว่าเธอว่าตรีรณปาิญญาของอนาถบาิณฑิกาไม่ดีอยู่แล้วเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ใช้แทนคําว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือหน้าต้นหาจุกิสูตรนะว่าจากักรควไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจกักรควรเสียอันนี้ก็มาเปลี่ยนคําใหม่แบอบกว่าท่านไม่ควรยึดมั่นในจักรสูรเนี่นนายนะอย่ายึดมั่นในจักรสูรและวิญญาณที่อาศัยจักรสูรจับไม่มีแกเราอันไม่ยึดมั่นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็สอนว่าไงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละ จากขู่นั้นสิวะถ้าหากว่าเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงเก่งไม้มันหักนะก็ระ ล, ลึกถึงนักปรมหาตุกะสูตรเนี่ยนะเขาตัดไม้ตัดหญ้าในท่าเชตวันเนี่ยสําคัญไหมว่าเขาตัดเราเลว็วเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนั่นนะ่ะได้ยินเสียงเนี่ยถ้าก็ตัดแขนเราดังโครมขนาดนี้อะไรจะเกิดขึ้นที่สุดแห่งทุกขนะ์เราต้องมีอัธยาศัยตัวนี้ตั้งเอาไว้ ต้องมีอัธยาศัยโน้มโอนแบบนี้นะต้องมีแนวความคิดแบบนี้นะถ้าไม่มีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยอยากคิดว่าจะบรรลุนิพพานโดยที่ยังดันไหวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าของเราที่แทต น, น, นตลอดพระนิพพานในมรณะโทมรณะก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อใดเนอะข้าพเจ้ า, าทั้งหลายจักเห็นว่าตาหงายจมูกลิ้นของข้าพเจ้าเหม้วนกับเก่งไม้ที่เขาตัดนั่นแนหะไม่รู้สึกดีใจว่าดันรองอยู่ไม่รู้สึกว่าดีเสียใจเมื่อ อยากทำลายไปเนี่ยนะก็ผู้ที่ปรารถนาทำที่สุดแห่งทุกขนะ์เราต้องมีอัธยาศัยตัวนี้ตั้งเอาไว้ะนะต้องมีอัธยาศัยโน้มโอนแบบนี้นะต้องมีแนวความคิดแบบนี้นะถ้าไม่มีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยอยากคิดว่าจะบรรลุนิพพานโดยที่ยังหวั่นไหวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะนี่ผู้ที่แทนตลอดพระนิพพานเนี่ยจะเลิกหวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ต่อไปนะตาของจมูกลิ้นกายใจเสร็จก็ต้อง รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะและธรรมรมเนื่อว่าเราจักไม่ยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์และวิญญาณที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมจักไม่มีแก่เราไม่สําคัญว่าตะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์ว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราก็คือตามเห็นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะนั่นเอง แต่นะว่าเราจะไม่ยึดไม่ยึดมัน่นจกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณเชียวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจักไม่ม evet ีแก่เราและวิญญาณที่อาศัยจักขูวิญญาณโสตคานาเชียวหากายะมโนวิญญาณจักไม่มีแก่เราทําใจได้ไหมเนาะว่าไม่ยึดตาหูจมูกหินกายใจเลย ไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมะหมดเลยไม่ยึดถือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรับกระทบโทธพธิภะและการนึกคิดเลยเนี่ยก็จะบอกว่าเราดูตั้งดยอัธยาศาัยของเราหนะ่อว่าเราพร้อมแบบนั้นหรือไม่แนวโน้มว่าจะพร้อมอย่างนั้นไหมอันนี้ถ้าเราตั้งอัตตาสมารตที่ไวไม่ดีนะพอไปถึงแบบนั้นเข้ามันทาใจไม่ได้หรอก สังเกตดูนรถเบรคดังเอียดแล้วก็รูลั่นนี่นี่ไม่ใช่แน่นอนนะนะไม่ใช่แน่นอนนะท่านก็หมั่นเจริญเอาไว้ให้ดีๆนะไว้พิจารณาดีๆทีนี้ต่อไปอนะเมื่อวัดอารมณ์วัตถุหกอารมณ์หกวิญญาณหกแล้วควรต่อด้วยอะไรทัศหกทัศหกว่าจากักขูสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยเราจะไม่ยึดนั่นในทัศทั้งหก แล้วิญญาณที่อาศัยผัสสะหกจักไม่มีแก่เราไม่สําคัญอย่างนี้เลยเนี่ยนะถือต่อไปถ้าผัสสะแล้วก็ต้องด้วยต่อด้วย<ม>เวทนาว่าเราจะไม่ ย, ยึดนั่นเวทนาที่เกิดจากจากขูดสัมผัสโสตาคานาชีวหากายะและมโนสัมผัสวิญญาณที่อาศาัยเวทนาหกเสร็จผัสสะหกหรือวิญญาณที่อาศัย ยึดหลังของรูปเสียงเปลีธธ่ยนโดยโพธะะเบื้องหลังของอกรนี้สํานวนหนึ่งก็งคือบอกว่าเมื่อใดเนาะของจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเปลี่นธโดยโพธะพระจะคู่วิญญาณเป็นต้นผัสสะเวทนาเนี่ยเห็นขันห้าเหมือนกับท่อนหญ้าเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเลยเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันในความอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะทีนี้เมื่อพิจารณาเอ อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกเสร็จ น, นะเบื้องหลังของตาหูสมุกลิ้นกายเบื้องหลังของรูปเสียงกลื่นรดโพธาพะเบื้องหลังของอที่เป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของอะไรของเวทนาสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเบื้องหลังของจักรคู่โซตากานาะชิวหาตายเบื้องหลังของรูปเสียงกลื่อนลดโพธภาภะคืออะไรคือมหาพูดมหาพูดเพราะฉะนั้นเลยท่านพึงใส่ใจอ ย, อย่างนี้ว่า ทุ่งทำศึกษาอย่างนี้ว่าจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจักไม่มีแก่เราอย่าไปยึดมั่นในธาตุนะมาจักไม่ยึดมั่นอาตุธาและวิญญาณที่อาศัยอาตุธาจักไม่ม <the> ีแก่เราไม่ยึดมั่นในเตโชธาและวิญญาณที่อาศัยเตโชธาจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นในวายโยธาและวิญญาณที่อาศัยวายโยธาจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นใน อากาศสาทธและ ว, วิญญาณที่อาศัยอากาศสาทธาจักไม่มีแกเราถามจริงๆเรายึดมั่นในอากาศสาทธหรือไม่ยึดนะยึดยังไงสังเกตตอนไหนชัดตอนที่เป็นหลัดเนี่ย่ชัดมากมันหายใจไม่ค่อยออกเห็นะหมพรามันไม่มีช่องว่างให้ให้หายใจเนี่ยตรงนั้นเรา จ, จะรู้ว่ามันยึดมากหรือกลืนน้าลายลําบากมากเนี่ยนะ น, นั้นแหะเห็นไหมว่าเรานี่ยึดช่องว่างนะไม่ใช่ไม่ยึดนะเพราะเช่นหายใจไม่ค่อยอวิกลืนน้าลายไม่ค่อยเข้าเป็นต้นอ่ะพวกนี้แหละเราว่ายึดมั่นใน อากาศาธาตุอากาศาธาตุช่องว่างเหล่านี้เนี่ยนะพนเราก็จะไม่ยึดมั่นในอากาศาธาตุวิญญาณที่อ า, อาศัยอากาศาธาตุจะไม่มีแก่เราทําไมจึงไม่แสดงวิญญาณด้วยก็เพราะวิญญาณเป็นตัวที่ไปเกี่ยวข้องกับาธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ยึดมั่นในปฏูรีอาโตเตโชวายโยและอากาศธาตุวิญญาณที่ไปอาศัยธาตุเหล่านั้นก็จะไม่มีแก่เราอันก็แสดงว่าสอนให้ทําปริญญาให้เจริญวิปัสสนาไปหมดเลย ทีนี้เออถ้าพูดถึงธาตุธาตุคือปฐวีอาตโตเตโชราโยแล้วเนี่ยถ้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งขันอะไรเป็นเหตุใกล้ของอะไรรูปตะขันเพราะฉะนั้นท่านไม่ยึดถือในรูปตะขันวิญญาณที่ศัยวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ถามว่าโลกนี้คืออะไรทรัพย์สินทั้งมวลอะไรทั้งมวลข้าวของเครื่องใช้ทั้งมวลที่มีอยู่เนี่ยนะอะไรเขาจาัดหถ้าเป็นไม่ให้ยึดถือหมดเลยนะนะไม่กระทั่งขันห้าเนี่ยไม่ยึดหมดเลย ทีนผู้ที่เข้าเจริญอย่างนี้เนี่ยนะบีเนี่ยอาจต่อด้วยรูปประชาร้ายไหมไดมไม้เพราะฉะนั้นไม่ยึดมั่นในอากาสาัญจายุตนาวิญญาณัญจายุตนะอากินัญญายุตนะและเนวสัญญานาสัญญายุตนาเขาต้องไม่ยึดมั่นในอายุตนะเหล่านั้นทั้งหมดไม่ยึดมั่นในโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ถามว่าโลกนี้คืออะไรทรัพย์สินทั้งมวลอะไรทั้งมวลข้าวของเครื่องใช้ทั้งมวลที่มีอยู่เนี่ยนะ อะไรเข้าอะไรเนะี่ยถ้าเป็นคนเด็ดบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนะี่ยทำที่ไนกรรมยังไม่เสร็จเลยไนหะยังมีชิ้นหนึ่งยัแก้ปัญหาไม่ตกเลยไหมก็ต้องไม่ไม่ไปอะไรอาวรในในสิ่งเหล่านั้นนะอะไรเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญพองบอกว่าอาภาษาริบแนะนำแต่ว่าท่านเพิ่งทําศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นในโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เราแล้วก็ท่านชีวิตในโลกหน้าต่อไปนะก็ต้องไม่ ไม่ยึดถืออีกคือคนที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ที่จะแทงตลอดอมตะนิพพานได้เนี่ยถามว่าเป็นคนที่ยังหวังโลกหน้าอยู่ไหมโลกหน้านะท่าไม่แทงตลอดนิพพานไงมันก็ไปอยู่แล้วล่ะไม่ต้องหวังมันก็ไปเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะแทงตลอดอมตะธาตุอมตะนิพพานจึงไม่หวังในโลกหน้าจึงไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อโลกหน้าแต่ก็จากข้อสู่นี้ก็นับว่าเสียงมากทาไมทําไมรู้ไหม ในอัตถกถาท่านบอกกันว่าครือหาบดีสำหรับพวกเครือหดที่มีความผัวพันเหนียวแน่นแต่ในนาสวนเงินทองคนใช้ชายหญิงบุตรและภรยาเป็นต้นเอาแต่ความพอใจและความกุ้งรุมอย่างรุนแรงเ้่อขา